วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2533 การบรรยายพระอภิธรรมเบื้องต้นเรื่องมหาวิภากจิตท่านสาธุชนที่เคารพตามบรรยายพระภิธรรม ในตำราบางทีก็จะเรียกว่าสาเหตุตุกะกามาวจรวิบากที่ 8 นั้นก็เพราะเหตุว่าอวิบากวิบาก มีเหตุ 1 เหตุอ่ะมีเหตุ 2 เหตุบ้างมี 3 เหตุบ้างซึ่งก็จิต 8 นั่นเองเราเห 8 นั้นเมื่อจําแนกออก 8 ยังกระแกะ เพราะฉะนั้นมหากุศลจิต 8 มีอลักษณะในส่วนเหตุ อ่านำกลับย้อนมาพิจารณาให้เห็นความหลาก 4 ที่เราเรียกว่ามรรค 4 อันได้แก่โสดาปัตติมรรคสักกทาคามิมรรคอนาคามิมรรค ในตัวจิตระหว่างส่วนเหตุคือมรรคกับส่วนผล กุศลញ្ញโทษเนี่ยจะให้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย 4 อันมีอาการานัญจาตนะฌานวิญญาณัญจาตนะฌานวิบาก ก็มีชื่อเหมือนกับเหตุแล้วก็เจตสิกก็เท่า แล้วก็เจตสิกก็เท่ากันทุกอย่างนอกว่าเหตุกับผลนั้นตรงกันจริงๆเอ่อในส่วน ก็นี้ในขั้นของรูปาวจรกุศลนี่เรายังเรียนไม่ถึงนะครับแต่ว่าๆคนได้ศึกษาเล่าเรียนกันมาได้ยิน เป็นส่วนของเหตุเวลาทําให้เกิดวิบากนั้นชักจะเริ่มกลายมีส่วนกลายเอ่อที่ว่ามีส่วนกลายนั้น คือถ้าหากว่าปฐมฌานนั้นเพ่งปตวีกสิณเป็นอารมณ์แล้วได้ปฐมฌานเวลาวิบากจิตเกิดไปปฏิสนธิในพรหมโลกวิบากจิต อุปมาอาตภาพของผมนั้นเกิดขึ้น ส่วนของฌานวิบากแต่ว่ามีผลส่วนอื่นที่เป็นทําอะไรลงด้วยได้ทั้งส่วนเกินด้วยนะคือ ผลเบียดบายหลายทางเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่จําปรารถนาเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นเป็นสิ่งที่ คืออรูปฌานแล้วก็โลกุตตระกุศลเพราะฉะนั้นจึงมีลักษณะวิบากโดยตรงนั้นเต็มจริงแต่ว่ามี ตรงก็มีตรงหมายถึงกรรมนี้ตรงหมายถึงอ่ามหากุศลจิต 8 มีชื่อเป็นอย่างไรมีดวงเท่าไหร่ก็แต่ให้ มีทานเป็นอารมณ์มีวัตถุทานเป็นอารมณ์มีปฏิคาห 6 คู่รับทานเป็นอารมณ์ 8 ดวงในขณะที่ทําทานแต่เวลาให้ผลเนี่ยครับ 1 ให้ อารมณ์ไม่ติดไปแต่มันอาจจะติดหรือไม่ติดก็ได้แต่ส่วน พอเมื่อรอให้ผลน้ําเกิดนี้ขณะที่ใกล้จะตายเนี่ยมีคนมานั้นตายตายแล้วก็ไปไปโดย หรืออาจจะมีอะไรอย่างอื่นดีๆเป็นเรื่องของอนาคตที่ตัวตัวยังไม่เห็นเช่นว่าอ่าเห็นคติ สู้จะไม่ให้ความสําคัญแก่อารมณ์ที่เราๆๆยัง แล้วมันยังมีวิบากอย่างอื่นที่ยักเยื้องหยิงมาก 1 แลเวลาให้ผลนั้นไม่ได้แปลว่าจะต้องให้เกิด 2 ให้ 3 ให้ 8 อย่างที่ผมบอกว่าดวงสูงให้ต่ําได้แต่เราพูดอย่างคิดไม่ละเอียดต่ําจะให้สูงไม่ได้มัน มันมีต่ํากว่าเกณฑ์ต่ํากว่าเกณฑ์ยิ่งขึ้นๆที่เป็นอเหตุกวิบัติ ที่ตาเราเห็นลูกหูฟังเสียงก็ดีหรือว่าได้รับอารมณ์ลาภ พวกตํารวจฉานนั้นสิ่งที่เป็นความมุ่งหมายของบางชั้นบางชนิดก็ นะอย่างภาวนากุศลที่เราทําด้วยมหากุศลเนี่ยก็เป็นผลที่เรามุ่งดันไหนเหมือนกันอัน <c oughs> มหาวิบัติ 8 นั้นเมื่อว่าโดยจิตเนี่ยมันก็หมายโอกาสนะ <c oughs> ถ้านอกเหนือจากนี้แล้วไม่ใช่เป็นเนี่ยเราเเสวยด้วย เรานี่ก็เป็นชั้นหนึ่งร่างกายก็เสวยผลของกรรมเก่า แล้วผลได้ของกรรมนั้นก็นะมัน จังหวะของจิตจังหวะของชีวิตนะครับคือในขณะปฏิสนธิที่ที่เราได้พูดกันมากรู้สึกกันเอ่อถึงคุณ เรามาได้วิบากตอนเกิดด้วยจิตที่เป็นอเหตุกะปฏิสนธิด้วยจิตที่เป็นอเหตุกะหรือเป็นจิต จิตที่มีคุณภาพอย่างนี้นั้นนี่นี่เป็น ว่าหรือตรงนี้ว่าถ้าเราปฏิสนธิด้วยมาวิบากหรือมาวิบากกิริตมา ตุติก็เป็นอย่างนั้นแล้วมีอยู่กี่ดึงนึงคือตถาคตลพนะที่ผมเว้นไม่ได้พูดนะเห็นว่าเป็นเรื่อง <c oughs> มาตรฐาลักษณะนั้นเป็นขันนะจิตท้ายสุดของวิถีจิตวิถีจิตก็คือจิตที่เป็นกลไก ไอ้ที่ว่านั้นคือภัตตาธารวนะที่แปลว่าหน่วงอารมณ์หน่วงอารมณ์คือหน่วงความรุนแรงของอารมณ์ให้ด้วยซึ่งไอ้ พูดกับกายตัวตัวอื่นเรารู้สึกดีแต่ว่าเป็นกุศลที่เรารู้สึกชัดก็จิตเห็นจิตได้ยินเราก็พอรู้สึกใช่มั้ยฮะจิต แล้วก็มีคุณมีประโยชน์อย่างไรแต่ตถาลมนะเนี่ยมันเหมือนปิดทองหลังพระจริงๆอ่ะนะแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างจะหลังนี้เพราะมันเป็น แล้วก็ถึงจะหยุดก็ถึงจะหยุดนั่นไอ้ไอ้ตรงนี้อ่ะครับที่ทําหน้าที่หน่วงอารมณ์นั้นหน่วงแล ซึ่งเมื่อเทียบกับเอ่อพวกนะในหลักวิธีจิตเนี่ยในนิกายเฉต 4 ก็พูดละเอียดแต่ว่าตรงนี้น่ะ ถ้าคนไหนมีเนกขันธ์มาทําเยอะหน่อยก็แรงเนี่ยมันมีธาตุ เหมือนอย่างพวกที่เค้าทําฌานโทษอัญชันเนี่ยเค้ามีการเรียกว่าเหมือนดักทิชเช่นว่าเค้าไปดูนะฮะชําระมลทินเนี่ยแล้วก็ไอ้พิษข้าง <c oughs> เปล่าเนี่ยบางอย่างก็ดักได้ทุกอย่างก็ไม่ได้ทั้งทั้งข้างนอกข้างในแหละเลยต้องทําให้ตัวนี้มาเป็นที่ของตถาคตารมณะ <c oughs> <c oughs> เรียกว่าเป็นคุณภาพของจิตอย่างหนึ่งในจุดนี้นะในจุดนี้เรียกว่าจุดหยุด รวดเร็วตามภาษากามบุคคลใจร้อนรุนแรงอ่าผมจะเนี่ยนี่จะเป็นเรื่อง ที่เรียกว่ามหากุศลชวนะ 8 ดวงแล้วก็ส่วนล่างนั้นจะแสดงให้เห็น บุญที่เราทําทุกครั้งเนี่ยเราทําตอนหลับหรือทําตอนตื่นตอนถ้ากรณีทําบุญก็ ผมก็ไม่ทราบว่านึกออกกันหรือเปล่าว่าไอ้วิธีศีลเนี่ยมันมีชวนะอันเนี่ยที่เขียนชาวนะไว้ตรง <c oughs> เพื่อแสดงให้เข้าใจกันว่ากุศลนั้นเกิดต้องจวณะจิต 8 ดวง 2 อย่างที่เป็นพลังๆของ ถ้าจะพูดเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าทรงปราลภถึงสัตว์ที่จะพึงถ้าพิการหรือเสียก็เอ่อเป็นอันโปรดไม่ เอาที่จะตรงคร่อได้อันนี้ผมชี้ให้เห็น ไอ้ตัวหลักเนี่ยครับเราได้ปลูกเสร็จตัวเราเองไว้ได้สะกดตัวเรานะฮะพูด ทอยผลทอยกันไปกันไปเนี่ยว่าเวลาเกิดความสูญสู่ ถูกสั่งสมไว้ในจิตเริ่มตั้งแต่ตัวเองนะฮะนี่ๆพูดเอ่อ ในแง่ของสิ่งที่สั่งสมเนี่ยมันก็เหมือนกับเราสั่งสมอะไรทั้งหลายไอ้การสั่งสมฐานหนึ่งแต่ว่า มีการใจสอยไม่เกิดเนี่ยเป็นชวนะชาติก่อนเนี่ยเอาเอากรณีหนึ่งนะชวนะได้ก็ได้ เมื่อไว้สันที่เกิดขึ้นมีแต่พลังนิสัยที่อยู่ในนั้นแต่เด็กมันคล้ายเด็กนี่มองอย่างหยาบๆมันก็ ภวังค์ภวังชนะภวังุปปัตติเหตุทะปัญจตวาราวจนะตวิปัญจวิญญาณสัมปติชนะสันเสลนะโวทปนะชวนะนี่เราจะเห็นว่าขึ้น อาการหรือจุดที่มีจุดคือมีนิสัยดีเร็วมั้ยมีเรานอนหลับมีนิสัย จุดแสดงออกจุดมีวลีโวตตอยู่ Ho 2 ที่คือโวธทัปนะกับชวนะโวธทัปนะกับชวนะเนี่ยฮะอันนี้ผมเคยอธิบาย ไม่ชอบว่าไม่ชอบว่าโกรธว่าโลภว่าอิจฉานิสัยนี้อ่ะถามว่าแล้วทําไมเราถึงตัดสินว่าอย่างนั้นถามว่าทําไมถึงตัด อุปนิสัยที่สะสมมานะทั้งดีทั้งรั่วแต่ว่าที่เป็นเป็นส่วนเก่าส่วนเก่าที่ มันก็ตัดสินว่าเอาเรื่องนี้เราชอบเรื่องนี้เราไม่ชอบเรื่องนี้เราศรัทธาเรื่องนี้เราไม่ศรัทธา นี่ทีนี้พอไอ้นิสัยกล่าวมันวู่ออกมาเนี่ยครับเมื่อมารับนิสัยเวลาเราทําบุญ บางคนก็ฟังเอาบุญฟังเอาภาวุธมาเอาอะไรได้หลายอย่างนะแต่โดยย่อเนี่ยมันจะมีอยู่อย 2 อย่างเท่า เอาไปเจกการละลานใจก็เลยบอกไม่ใช่หรอกจะได้ฟังจะเนี่ยเราจะ ทําให้คนๆเลยว่าเวลาพระพุทธเจ้าจะไปโปรดคนเนี่ยท่านเลยโดยไม่ต้องทําต้องทําเช่นสุตะมย ทางธรรมเนี่ยคนจะจะปฏิบัติตามสุตะมยปัญญาแล้วก็ศีลศีลก็ ทำสมาธิแล้วก็เอาปะลังอุปนิสัยทางธรรมะเนี่ยมันกว้างก็คงจะไม่มาโดยประวงพูดไอ้ตรงเนี้ยใครฟังไม่เข้าใจ ท่านจะมองอันหนึ่งนะที่เป็นเรื่องแล้วก็เกิดฉันทาเกิด บาลมีเก่าๆไม่ออกเลยนี่จึงเป็นเรื่องปัจจุบันทั้งอดีตแล้วก็จะเป็นไป คือเป็นพ่อแม่ของมันเป็นบุพการีของมันมันก็จะเนี่ยนี่ก็เป็นส่วนใหม่เพราะ นี่นอกนั้นเป็นจุดสะสมคือจุดที่แสดงออกนอกนั้นเป็นจุดสะสมมี อยู่ในจิตได้กับทุกดวงเพราะฉะนั้นได้แสดงออกที่ไม่ได้แสดงออกอยู่ หมดโอกาสที่จะเจริญในความดีหนักขึ้นดีโอกาสที่จะเมื่อเกิดจิตดีมันก็อยู่ความดีหนักขึ้นอีกอ่าสะพิดอยู่ในนั้นถูก คืออีกแทบ 1 ชุดแทบต่ําไม่รู้มันก็มีพลังนะฮะเพราะฉะนั้น เกินไปที่จะพูดได้ทีนี้แต่อันแยกไอ้พลังด้านกรรมไม่ สถิตอยู่ที่จิตดวงไหนสะเนบุญถึงไอ้พลังอ่ะสถิตเนี่ยเราทําบุญทําบาปไว้นะแต่ว่ากรรมที่เรา เนบาะตัวเรามันต้องเอาโหจดซ้ําอายวะก็เยอะก็กรรมก็กินผลติๆขณะจิตที่ เรามองดูในวิถีจิตกับนิสัยนั้นอันมีธรรมเลมากกว่ากันอันไหนกําเริบให้เป็นที่ปรากฏมากกว่ากันนะกรรมเนี่ยมากกว่าอันๆเนี่ยเราจะเห็นว่า นิสัยเนี่ยนิสัยเนี่ยมันต้องเกี่ยวเกี่ยวกับตื่นนะไม่ตื่นนิสัยไม่แสดงออกใช่มั้ยแต่ว่ากรรมเนี่ยคุณจะหลับ มาให้ผลได้รับโชคดีอะไรก็ได้แต่พูดได้นี้เรา ดังรูปนั้นก็มีไปปูถึงจิตนั้นในวิหีหนึ่งปรากฏว่าจุดที่กรรมมันแสดงผล ฟังดูก็แปลกพิฤทธิ์ดีโอ้หลับเพียงกรรมอีกแล้วมันจะมากไปแล้วๆ31 ภูมิทุกๆคนเนี่ยเราจะ ยังไม่เห็นบุญคุณของการนอนเนี่ยบางคนเนี่ยอยากจะหลับหลับไม่ไม่ได้ครับหลับไม่ ผลเวรผลกรรมอะไรต่างๆอย่างกัดในอบายภูมิเปรตอสุรกายตันตรกนี่คืออตีตภวังค์ภวังชนะภวังคุปัจเจตะซึ่ง <c oughs> แล้วก็ทวิปัญจวิญญาณคือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงขณะไหนข้างน่ะได้ ของของชาติหนึ่งนี่พอจิตขึ้นวิถีแต่ละวิถีตัวทวิ 10 หรือปัญจวิญญาณจักขุวิญญาณฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีโสตวิญญาณฝ่ายดี จักขุตวารวิถีโสตตวารวิถีเป็นเป็นต้นเรียกตามตามจิตที่เป็นประธานของมาการรับรู้อารมณ์ทางประสาทนั้นนั้นสัมปติชันนะสันนิรนะต่างๆนะจนกระทั่ง และตถาารมณนั้นเป็นจุดสุดท้ายของวิบากที่เข้ามาเราหมดบุญหมดพลังกรรมพลังกรรมๆแล้ว <c oughs> มันเราเห็นครั้งหนึ่งกับวิถีหนึ่งเนี่ยเราเห็นครั้งหนึ่งเราเห็นไปจนหน่วยแห่งการรับรู้ มันก็พลตามกันไปอย่างนี้เอ่อเป็นเป็นหน่วยเป็นหน่วยย่อยของการให้ <c oughs> เป็นวิบากที่ผมใช้คําว่าในน่ะใช้ภาษาง่ายๆเพื่อพูดให้ๆที่ว่าในเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการ ทำรงคุณภาพชีวิตของเราเอาไว้นี่เป็นวิบากด้านไหนที่วิธีใช้อวิบากที่แสดงออกในด้านนอกนั้นหมายถึงในขณะ บวกคนภายนอกมี 2 ส่วนนี้ใน 2 ส่วนนี้ยุ่งกับโลกภายนอกนั้นเป็นเป็นวิบากที่เลั่วลายไม่ได้เป็นที่เป็นชิ้นเป็นอันเหมือนอย่างปฏิสนธิจับราย เนี่ยถ้าท่านจับตรงนี้ได้ก็เป็นตัววิบากกับตัวอุปนิสัย <c oughs> มันเป็นเรื่องเกี่ยวกันตรง 8 ดวงเนี่ย อยู่ในในความเป็นมนุษย์ความเป็นเทวดาความเป็นทรงความเป็นรูปอบรมรูปประคมพืชพันธุ์ในที่มันเป็น ตัณหิสัยถูกสกัดเอาไว้ไม่ให้แสดงออกถูกสกัดถูกสกัดเอาไว้ไม่ให้แสดง แล้วเราก็ชี้ให้มีอะไรปราศมีมี 19 มีปัญญาเจตสิก 1 นะอยู่ในในวิบากสติหิริโอตตัปปะอโลภะอโทสะตักตะมัจฉตตามีปสัทธิ ราหุตตามูทุตตาปากุญยตาเอาประณีดว่าอย่างคร่าวๆเพื่อท่านไสพูดนิดหน่อยหูไม่ ความจริงยังมีพวกปัสสเวทนาสัญญาเจตนาเอกตาชีวิตินทรีย์อธิการวิตกวิจารณ์ที่โมกขุริยะปิติฉันทะมีศรัทธาสติ ศีลโทตปะอโลภะอโทสะตัดตระมัจฉตตาปสัทธิละหุตามูทูตากัมมันตะนี่มีอย่างละสองละ 2 เวลาปฏิสนธิผมว่า อนท. ย้ํานิดนึงว่ามนุษย์บางพวกปฏิสนธิด้วยอาเหตุกะปฏิสนธิพวก ความสำนึกฝ่ายสูงซุกอยู่ในจิตไอ้ตัวนี้ไม่ใช่นิสัยนะฮะต้องขอแยกให้ทราบว่าถ้าเป็นนิสัย คล้ายๆว่ามีแต่เชื้อฟืนแต่ว่าไม่มีไม่มีไฟไม่นะแต่ของเราเนี่ยเรามีทั้ง แต่ไอ้ตัวกระทัวเองพระเองมีภายในที่เราก็มาผมเอ่อจะเชื่อเห็นอ่าตัวบางตัวที่แต่เอา มีสํานึกดีอยู่ในในตัวมั้ยมีมั้ยมีรู้โจรรู้จัก <c oughs> 7 วันตอนที่ท่าน <c oughs> มันอยู่ที่วิธีสกิดอยู่ที่ความเข้าใจไอ้เงื่อนไขชีวิต เพราะฉะนั้นคนเร็วๆเนี่ยบางทีเราก็มองเวลข้างในเนี่ยวันนี้ห่ามานะว่ามองเวลข้างในว่าเอ๊ะดูเค้าหน้าจะเนี่ยต้องคนไม่ว่าจะเป็นโจร ก็มีเชื่ออยู่อื่นๆมีเวรมีกรรมมีจังหวะอีเวรอะไรก็ตามแต่ละคนแตกๆไม่ได้ทําแล้ว ความศรัทธาเนี่ยตัวสารังดีก็คือตัวความชื่นชมเลื่อมสติคือให้สติเรียกสตินําสติกลับคืน เมายามาเนี่ยบางทีบางทีก็สําเร็จบางทีก็ไม่สําเร็จนะเมายามาบางทีพระไปปลดสําเร็จกล่อมได้อยู่เลยยอมคืนมีดให้ลักบางรายก็เอา ให้มันผ่านมีคนไปการระยะวิกฤตไปเหมือน 100% เต็มนะกําลังกินข้าวอยู่ไม่มีมัน <ม. S 1> คือเรามีอโลภะมีความเสียสละนะถ้าเป็นหมาหมากับไก่มันอาจจะได้มัน สงสารเห็นใจมากน้อยแค่ไหนต้องมีแล้วก็ปัตตระคือความมีใจเป็นกลางความเที่ยงตรงความรักความยุติธรรมความรู้จักได้ๆพวก ในความปัสสัทธิความสงบระงับละหุตาความเบาแห่งจิตมุตุตาๆเหล่าเนี้ยมันหมายถึงคุณสมบัติที่จะมาทําจิตเอาจิตของคนด้วยไอ้ฝุดได้ ตัวพร้อมที่จะรับคุณความดีที่เข้ามาทางๆ ความหลักๆเพียงแต่ว่ามันเป็นเม็ดพันธุ์ที่ยังเก็บอยู่ว่ามีกําลังความยิ่งเพราะตัวเหตุคือกุศลที่ ถ้าเราปฏิสนธิด้วยมหาวิบัติที่สําเร็จจากมหากุศลที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมปัญญา อโลภะเป็นหัวหน้าแต่ว่ากําลังมันอาจจะเท่าเท่ากับอโทสาเท่าเท่ากับอ่าโมหะก็ได้แต่หา เช่นเราไหว้ท่านกับกับพระอริยะที่เรารู้ว่าท่านเนี่ยมันนะแค่ ซึ่งอีกอันนึงจะพูดถึงการจะต้องไปนอนก่าย 3 วัน 3 คืนให้ผิดให้ไม่ดีกูไม่ต้องละด้านอื่นเยอะปัญญาเลยมีกําลังมากหรือนี้ก็จึงจึง ตรงตัวก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้นี่อันนี้เป็นเรื่องของวิบากที่อยู่ในเวลาพระพุทธเจ้าทันพิจารณาฆ่า จึงมีส่วนว่ามองไม่เห็นตัวเป็น 3 ส่วนนะส่วน 1 อุปนิสัยของสัตว์นั้นว่า มีอาไสอ่อนอาศัยเนี่ยมันเรียกอาศัยเนี่ยหมายถึงความเห็นผิดเราคือไผของสัตว์ อาศัยเนี่ยมันเรียกอาศัยเนี่ยหมายถึงความเอนผิดก็ นี่เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ปฏิอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องวิบากอิบากคือปฏิสนธิเตื้อปฏิสนธิเป็นหลัก คุณละธรรมที่อยู่ในนั้นมีกําลังแข็งแรงแค่ 2 เสียวิบากถ้าไม่มี มีอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณค่าของชวนะในปัจจุบันคุณค่าของชวนะ กรรมมาวรอันหนึ่งแล้วก็กิเลสสาวรอันหนึ่งกรรมวรเนี่ยหมายถึงใครที่ เป็นตัวกดๆเก่าๆที่ไอ้ไอ้ประติสนธิที่เรียกวิบากกาวรน่ะนะที่ ไปเกิดอกุศลชวนะพอไปควบคลานผ่านครับก็เลยบรรลุธรรม สำหรับกิเลสสาวันหมายถึงเป็นคนที่ไปชอบความเห็นผิดรุนแรงเกิดความเห็นผิด ผมแม้ว่าจะมีไอ้ 2 ข้อแรกดีทีนี้ถ้าเราไม่ได้บริหารจิต ไม่ได้รู้ว่าอะไรว่าชีวิตจิตใจเป็นไงทางหลุดพ้น ตัวเค้าเป็นลูกไม่เป็นเป็นคนยากคนจนก็ทํามหาเกมไปมันไม่เคยรู้ศาสนาไม่เคยรู้อะไรเลยแต่จริงๆไม่ได้ ละมาโปรดติงนี่นั้นถ้าเรามองว่าถ้าธรรมๆแล้วพระพุทธเจ้าไม่ออกแรงมา 2 2 ข้อแรกแล้วตรงนี้จึงจะต้อง ถ้าพูดอย่างเดียวก็บอกว่า 1 กัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเนี่ยเค้าหาหลายมาเพื่อทําให้ความดีของกัลยาณมิตรอย่างที่ว่าเมื่อ ที่เรียกว่ากุศลเป็นบาทกุศลที่ทําเป็นบาทการ ได้แก่อะไรที่จริงน่ะเอาหมดแต่เอาถ้าเป็นตัวชนิดที่ขาดไม่ได นั่นพูดโดยอย่างนี้นะการฟังคือสุตตมยปัญญาที่เกี่ยวกับอภิญญยธรรมต้องเรียนต้องรู้ไม่นะฮะแต่ว่าฟัง ไม่เป็นบาปที่จะทําให้บุคคลได้อีกประการหนึ่งแต่แอนโทนีก็หมายความว่าฟังรักษาศีลก็มีไม 2 ก็รักษาไปอย่างนั้นแหละถือว่าหนึ่งมาเข้าสังคมคนรุ่นเดียวกันแล้วไงเช่นต่างๆ มันก็ทำนายเลยไม่ได้ประโยชน์ในสิ่งที่ตัวเองจะได้แม้ แล้วถึงว่าเราไปสมาทานเราสมาทานศีลมาแต่เก่าก่อนกับนะความเนี่ยมันก็จะ ตัวหลักในเรื่องกุศลชาวนะนะศีลไม่ใช่ไม่ใช่หนังสือมาห้อยบาทนี่คือศีลสิกขาสมาธิ นั่นคืออย่างที่มีที่จําเป็นและถ้าขยับขึ้นไปอีกนิดนึงก็เอาวิปัสสนาด้วยวิปัสสนาสิว่าเป็นบาทเพื่อความบรรลุธรรมถ้า บางคนก็ทุกข์กรีนั้นหน่อยแล้วๆล่ะเกื้อกูลมั้ยกุศลอื่นๆนั้นแม้ว่าโดย อย่างที่ตรงกับข้อนี้ชัดเจนเลยก็คือให้เพื่อประดับเป็นเครื่องนี่อย่างของเรา และถ้าอย่างที่องค์เคยแนะนําไปอย่างที่จะเข้าอู่จานก้าแล้วมีคนมาขอคําแนะนําว่า ความประพฤตินอบน้อมนี่พระพุทธเจ้าเองก็สอนไว้ ทำบุญกุศลทุกอย่างถูก แล้วก็ก่อนหน้าที่จะได้ความดีการสูงกุศลนี้จะเป็นเรา จะก่อนจะพูดถึงเรื่องอื่นเนี่ยผมอยากจะอ่านข่าวให้ฟังสักข่าวให้ท่านว่าสติ 12 มกราคมปีพุทธศักราช อ่าแล้วก็ยืนชมมากข่าวรอบโลกเดี๋ยวเค้าก็ในนั้นก็มีจากพุทธศาสนาย่างกู่ขีดชาวต่าง 14 ประเทศรวม 49 คนเรื่อง ในพระพุทธศาสนาได้ถวายตัวบรรพชาอุปสมบทเมื่อวันอาทิตย์ หรือเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่และผู้ที่มาอุปสมบทๆซึ่งทั้งหมดจะ 85% ของประชากรพม่า 42 ล้านคนนับถือพระพุทธศาสนาคือถึงข่าวเค้าจะไม่ได้บอกแต่ว่าผม การปฏิบัติธรรมที่เขาได้ปฏิบัติปฏิบัติในว่าเราเขญจะกล่าวได้ แล้วมันก็มีข่าวข่าวนึงเหมือนไปเป็นผู้เปิดแต่เยอะหน่อยไม่ได้มา <c oughs> เพราะว่าเค้ากูเค้าก็ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ช่วยชีวิตก็ไม่ได้ต้องมีปัญหาแต่ว่าภายหลังไม่ได้มาปฏิบัติธรรมกับพวกลามะก็เลยเปลี่ยนศาสนาทั้งทั้งพระเอกนางเอกน่ะนะเลยมา แต่ที่นี่บวชเนี่ยก็พอมาถึงจะลําบากยังไงแต่คน 49 คนเนี่ย อาจจะมีบางคนฮะพลาดหลงนะตัดหลงอยู่กับพระ บวชตามเอาแล้วบวกบวก <c oughs> <c oughs> มันมีอยู่ทั่วๆไปไม่อยู่ที่จะพูดกันยังไงที่พระว่าคนเนี่ยพูดกันรู้เรื่องธรรมะเนี่ยเอาพูดกับคนอื่นก็ ไม่รู้มาจากไหนนะแต่ว่าพวกพูดรู้เรื่องลับ ที่ไถต่อออกมาจากไข่คนเหล่านี้ก็จะรักษาศาสนาเองผมกับคนใดอ่ะครับอ่าก็มี พูดเนี่ยว่าตะกี้เนี่ยจะไว้นึกจริงๆเดี๋ยวจะไปฟ้องวันหลังให้เค้าเนี่ยได้ได้มาเห็นคุณค่าแล้วเค้าจะช่วย <c oughs> <c oughs> ได้ยังไงก็ช่วยกันของผมคงจะสรุปเรื่องมหาวิบัติได 8 ในประเด็นหลังๆด้วยการกล่าว ก็ได้เข้าใจว่าเป็นความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ได้ออกมาเป็นความรู้สึกที่ปรากฏนะ ที่นาอย่างนี้อย่างนี้ที่ดินอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งหมายความว่าในเมล็ดข้าวนั้นมันยังไม่มีเราจะไปขายว่าเอ้านับไป 10 เม็ดจะเหลื่อออกมาน้ําหนักหหลวงเท่านี้นับ 100 เม็ด 1 เควียน 2 เควียนไม่ได้เอาไปรอไปปลูกก่อนนะ มันถึงจะมีราคานั้นคุ้มค่าของวิบากจิตที่กล่าวเหมือนกับมหากุศลน่ะ อย่าได้ไปหลับ